อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็ออกอากาศทั้งจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่นะค ะ, ะสําหรับในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราพบกันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาธรรม หรือสากัญชานั่นเองนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่15กันยายนพุทธศักราช2555ค่ะก็วันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะคะอ่ะ เป็นวันเสาร์กลางเดือนกันยายนแล้วล่ะค่ะซึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ก็แน่นอนค่ะดิฉันจะได้ทำหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้เป็นผู้แทนของท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมาสนทนาซักถามปัญหาธรรมะกับ พระอาจารย์ไ พ, พบุตรอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้มุ่งในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล่นตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่โน่นนะคะที่ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะสําสหรับวัดป่าดอนไหโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิตโตภโสหรือท่านพระคูสิทธิปะพะกรท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดนะคะซึ่งก็มีจิตเมตตาสูงมากทีเดียวค่ะในการ ที่อบรมทุกๆเดือนนั้นท่านก็จะเมตตาที่จะมาะทำการช่วยสอนอะไรต่างๆมากมายควบคุมผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมซึ่งมีจัดเป็นประจำทุกเดือนนะคะท่านผู้ใดสนใจก็ ไปเข้าไปในเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนไถ่โสเพื่อที่จ ะ, ะสมัครเข้าไปอบรมกันได้ฟรีเป็นประจําทุกเดือนนะคะค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็นำท่านผู้ฟังมากราบนม้มาสการพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือพระอาจารย์ไพบุตรพี่ปุโนกันเลยนะค ะ, อะขอกราบนม้มาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับช้าวันเสาร์กลางเดือนกันยายนนี้นะเจ้าค่ะยมก็อยากจะขอนําคําถามของอยมคิดว่าเป็นเป็นท่านที่เข้ามาอบรมในหลักสูตรของเรานี่แหละแล้วก็เวลาใครไปอบรมที่หลักสูตรของวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยทุกคนก็จะได้รับเบอร์ถูกไหมเจ้าคะใช่คุณเบอร์49เกนี่ยก็ได้เขียนถามมานะเจ้าคะซึ่งคิดว่าเป็นข้อข้อถามที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทางบ้านดังนั้นก็ ขออนุญาตว่าจะนํามาเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโอนะเจ้าค่ะแล้วก็พระอาโนโนโจร า, ารย์จะได้เมตตาที่จะตอบให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังด้วยข้อแรกที่เขียนถามมาบอกว่าการเข้าสมาธิและการออกจากสมาธิอย่างฉลาดนั้นปฏิบัติอย่างไรอันนี้โยมก็อยากจะขอกราบนมัสการหรือกราบนิมนต์ให้พระอาจารย์ไพบุญได้เมตตาที่จะสักชาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเชิญผ่อจริงๆเรื่องนี้ที่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิเนี่ยนะ อ่าฉลาดเนี่ยก็หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องฉลาดด้วยแค่ทําเฉยๆได้ไหมนะแล้วฉลาดเนี่ยต้องขนาดไหนบางคนต้องเกรด4ี่อย่างเงี้ยถึงจะฉลาดใช่ไหมบางคนเกรด 3.5 ก็พออันนั้นเรียนหนังสือนะเจ้าค่ะใช่ใแล้วในเรื่องของสมาธิเราจะวัดยังไงมันก็จะมีประเด็นตรงนี้ตรงนี้เอาพูดถึงความฉลาดก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราต้องฉลาดนะแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับหมดทมตรงนี้ะนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสถึงตัวพระองค์เองเนี่ยนะ เป็นผู้ที่มีอยากจะคิดเรื่องอะไรก็คิดได้ไม่อยากจะคิดเรื่องอะไรก็ไม่ต้องคิดได้ไหอยากจะตรึกอยากจะดำริเรื่องอะไรก็ตรึกดำริได้ไม่อยากจะตรึกไม่อยากจะดำริเรื่องอะไรก็ไม่ตรึกไม่ต้องดำริได้นะคือหมายความว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตว่างั้นเถอะนะมีอำนาจเหนือจิตเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้ที่คิดจะคิดอะไรก็คิดได้ไม่คิดอะไรก็คิดคิดได้นะโยะอย่างกรณีของคนเราอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการคิดอย่างเช่นว่าคิดแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน หรือว่าในห้องสอบอย่างเงี้ยโอ้หเห็นไปสอบข้อสอบคณิตศาสตร์ไงคุณตาใจโอ้ข้อสอบมาโอ้โห อ, อะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยอ่านมา ก, ก่อนเงื้อแตกทั้งหลังทั้งหน้านั่ง<ะ>ไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ยังคิดไม่ออก อ, อันนี้<ะ>แสดงว่าคุณจะตรีตรึกเรื่องอะไรคุณก็ตรีตรึกไม่ได้เจ้าคนะ่ะหลายๆคนเคยมีประสบการณ์นี้เจ้าค่ะหรือว่าพวกที่ไม่อยากจะตรีตรึกเรื่องนี้กลับไปตรีตรึกเช่นอะไรนะคนที่เลิกร้างกันใหม่ๆนะ สามีหรือภรรยาบ้างหนีไปมีชู้หรือว่าคบกันมานานแล้วเลิกกันไปทิ้งลูกเอาไว้แม้มันช้าใจมากๆไม่อยากจะคิดถึงหน้าไอ้หมอนี่มันก็ดันไปคิดค่ะ <c oughs> คิดทีไรมันเจ็บลึกเข้าไปในใจทุกทีนั่นนี่คือลักษณะที่ว่าไม่อยากคิดแต่มันดันไปคิดค่ะ <c oughs> อันนี้คือเป็นเครื่องหมายบอกว่าอะไรบอกว่าเราเนี่ยไม่มีอํานาจเหนือจิตนะจิตเนี่ยมันมีอํานาจเหนือเรามาคอยชักนําจิตมาชักนําเราเนี่ยให้ไปเป็นทุกข์ มันดึงจิตเราให้ไปคิดนั่นคิดนี่คิดนอดแล้วจะที่ต้องการคิดมันดันไม่คิดเจ้าค่ะอ่ามันก็เลยกลายเป็นปัญหาในชีวิตของเราเวลาที่เราต้องสั่งให้ทหําไอ้นี่เกิดขึ้นมันทําไม่ได้อย่างลูกน้องคุณเดินใจเนี่ยหรือว่าข้าราชการที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะวนหน้าสั่งอะไรปุ๊บลูกน้องไม่ทําตามเอ๊ะคนนี้ไม่มีประสิทธิภาพละเราไม่ย้ายเขาไปที่อื่นแล้วก็งไล่เขาออกน ะ, ะเพราะฉะนั้นคือเขาทํางานไม่มีประสิทธิภาพไงเช่นเดียวกันจิตของเราเองจิตของเราเองนะถ้าจิตของเราเนี่ย<ง> มันมากับกายของเราเราจะไปไล่เขาออกมันก็ไม่ได้ก็ใช่ไหมเพราะมันมันมันมันเป็นตัวของเรามันเรายังมีความยึดว่ามันเป็นตัวของเราอยู่เราจะไล่เขาเราก็ยังยึดอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะฝึกยังไงให้เขามีกําลังขึ้นมาแต่พนระเจ้าพูดจึงพูดถึงเหตุปัจจัยที่จะทําให้จิตเนี่ยมีกําลังมีกําลังหมายความว่าเราเนี่ยมีอํานาจเหนืออย่าให้จิตมีอํานาจเหนือเราจะทำยังไงแตนะพระเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับช้างคุณตนใจ ช้างตัวบลั่มเลยนะสิบี่ฟุตสูงสิห้าฟุตอย่างเงี้ยอย่างที่ไปตามจังหวัดสุรินหรือที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็ช้างเขาห้ามเข้ากรุงเทพใช่ไหมเ้าค่ะก็ไปตามสวนสามพรานอะไรก็ได้จะมีขี่ช้างขี่ช้างกี่อะไรโอ้สูงมากเลยนะแล้วมันก็ค่อยตุ้มเตี้ยมไปตุ้มเตี้ยมไปแล้วก็จะมีอยู่จังหวัดนีนที่เขาพาลงน้ํำฟูมลงไปนะพระเจ้ายกตัวอย่างถึงช้างที่สูงสิบสี่หรือสิบห้าฟุตเนี่ยลงไปในน้ําแล้วก็เอาน้ําล้างหลังบ้างล้างหัวบ้างเนี่ยสบายใจ นะปรากฏมีกระต่ายป่าตัวหนึ่งนะหรือแมวป่าตัวหนึ่งมาเห็นช้างตัวนี้แล้วก็โอ้ยช้างมันจะเป็นอะไรที่ไหนมาฉันก็จะเป็นอะไรที่ไหนไปฉันจะลงไปแล้วก็อาบน้ำล้างตัวล้างหัวบ้างกินน้ำบ้างดื่มน้ําบ้างอย่างนี้คิดอย่างนี้นักระต่ายนะนักตายก็กระโดดตู้ลงไปในน้ําโดยไม่พิจารณาให้ดีก่อนนะก็ไหลไปตามกระแสน้ําเลยนะเลยไม่ก็จมพกก็คือกักคือกักอยู่แถวนั้นเองนะคือพระพุทเาเปรียบเหมือนกับช้างเนี่ยเป็นลักษณะของจิตที่มีกําลัง จตที่ฉลาดจิตที่มีสมาธิส่วนกระต่ายป่าเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่จิตไม่มีกําลังไม่มีสมาธิแล้วไปลงสู่กระแสน้ํากระแสน้ําเนี่ยเปรียบเสมือนป่าที่น่าสะพรึงกลัวอย่างตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ในป่าคุณตใจเราอยู่ในป่าคอนกรีตนะมีตึกร้างบ้านช่องมีผัสสะมากมายออกไปวินาทีไหนคุณไม่เห็นโฆษณาไม่มีเขาด่ากันว่าการทางโทรทัศน์เรารู้เราเห็นหมดเดี๋ยวนี้มาทาง Facebook อินเทอร์เน็ตมือถือคุณรับข่าวได้หมดนะเราถูก ปลาเนี่ยคอยที่จะมาดึงขีดของเราไปกระชากออกไปถ้าเราไม่รู้จักรักษาเนี่ยมาเนี่ยนะมันจะเข้ามาตามตาหรือหูจมูกลิ้นกายแสจทางใดทางหนึ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะจับจิตของเรานะออกไปนะั้นดึงออกไปปุ๊บมันก็จะลากออกไปถูรูถูกลางปุยยี่ปุยปยทำทาจิตให้เราเจ็บช้ำนำใจเจ้าค่ะถ้าเราไม่จับปิดกั้นนะ เ, เพราะฉะนั้นเราอยู่ในป่าคอนกรีตลักษณะที่ว่ามีภันธะ ต, ต่างๆนานาเนี่นยพอมันมากระทบแล้วเนี่ย ถ้าเราจิตไม่มีกําลังเราจะไหวไปตามแล้วเราจะวันไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนี่คือลักษณะที่พระเจ้าจึงแนะนําให้เป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตมีอย่าให้จิตมามีอํานาจเหนือเร า, านะวิธีการคือยังไงมีทั้งหมดหกองค์ประกอบหกนะองค์ประกอบที่ฉลาดในการเข้าสมาธิฉลาดในการออกจากสมาธิเนี่ยเป็นสองในหองค์ประกอบนีนะ้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังว่าฉลาดในการเข้าฉลาดในการออกเนี่ยมันเป็นยังไง เจ้าค่ะแต่ก่อนที่จะถึงฉลาดในการเข้าสมาธิและออกจากสมาธิอย่างที่คุณที่ไปปฏิบัติธรรมหมายเลข49ถามนะเจ้าค่ะยมอยากขอถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะว่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าความฉลาดที่พระอาจารย์บอกว่ามี6อย่างนั้นเนี่ยเจ้าค่ะจะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะเมตตาเจ้าค่ะพูดถึงคร่าวๆรวบรวมโดยโดยรวมก่อนถูกไหมหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิ ในบางคนไปนั่งสมาธิเนี่ยนะเอ๊จิตเรารวมมาถึงนิ่งไปตรงนี้มันมาตรงไหนเราจําไม่ได้จุคา อ, อย่างเราไปบ้านไปบ้านเพื่อนหรือทางที่เราไม่รู้จักเนี่ยเอ๊เรามาถึงตรงนี้ได้ไงเราง ง, งงมากเลยเส้นทางเราจําไม่ได้แนแสดงว่าคุณไม่ฉลาดในเรื่องหนทางไม่ฉลาดในเรื่องเส้นทางที่กันมานันี่คือที่ว่าจะพูดถึงว่าให้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิอันนี้คือข้อที่หนึ่งจุคานะข้อที่สองพระพุทธาพูดถึงเป็นผู้ฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิ ฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิเป็นยังไงแล้วนะคือเราจะทรงอยู่ในสมาธิได้อยู่ต่อเนื่องได้อย่างไรแตนะบางคนเนี่ยพอตีละครังเก้งออกปุ๊บเนี่ยลุกขึ้นปุ๊บปั๊บเลยไม่รู้จกักทรงจิตเอาไว้ให้ต่อเนื่องโยคะอ่านี่คือไม่อ่าเราจะทำงานให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิข้อที่3คือฉลาดในการออกจากสมาธิคุณก็สามารถกําหนดเวลาออกได้เป๊ะๆไหมต้องการนั่งสมาธิหึงชั่วโมงปุ๊บไม่ต้องนาฬิกาตั้งนาฬิกาหรอกติดปุ๊บ นั่งสมาธิไปหนึ่งชั่วโมงปุ๊บห้สิบปดนาทีปุ๊บลืมตาขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยบางคนสามารถกําหนดเวลาตื่นกับ ต, ตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกก็มีเจ้าค่ะเจ้าค่ะเวลาจิตต้องแข็งแรงมากๆเลยนะเจ้าค่ะต้องมีความชํานาญต้องมีความฉลาดไงอืมเจ้าค่ะฉลาดชํานาญไม่จําเป็นต้องคือจะความฉลาดความ ช, า, า, มชนานาญเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงความแข็งแรงได้อย่างหนึง่งนะผู้เจ้าก็ยังพูดถึงข้อที่สามคือเป็นผู้ฉลาดในปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติ ธรรมะที่เป็นการเอื้อเฟื้อต่อสมาธิแตจริงๆแล้วเราพูดทั้งหมดเลย6อย่างเลยก็ได้เอื้อเฟื้อทําอย่างติดต่อนี่คือข้อที่สี่นะสี่คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติสร้างเหตุที่ถูกต้องคือเอื้อเฟื้อแก่สมาธิตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นเอื้อเฟื้อแต่สมาธิข้อที่ห้าก็คือทําสมาธิโดยติดต่อแล้วก็ข้อที่หคือรู้จักทําอันเป็นที่สบายแก่สมาธิ6อย่างนี้ อเจ้าค่ะนะสี่ก็คือที่เอื้อเฟื้อใช่หมห้าก็คือทําอย่างติดต่อ6ก็คือทําอย่างสบายนะเราจะไล่ไปทีละอันนะคุณเดินใจนะเจ้าค่ ะ, ะเราจะเราเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตไม่ให้จิตมามีอานาจเหนือเราอันดับแรกคือฉลาดในการเข้าสู่สมาธินะฉลาดในการเข้าสู่สมาธิาถ้าใครเคยฝึกขับจักรยานนะคุณเดินใจเอเทคนิคการที่เขาจะขับจักรยานเนี่ยตอนที่เขาจะเริ่มตั้งท่าเนี่ยนะโอ้มันมีเทคนิคเยอะนะคือเด็กบางคนที่เพิ่งฝึกเริ่มขับจักรยานเนี่ย เขาจะต้องคอยหกล้มหกขมำลุกความลุกไงก่อนหลายๆรอบถึงจะค่อยฉลาดว่าอการออกตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เข้าใจไอมที่มีการออกตัวเนี่ยก็ชิ่อว่าไอ้บันไดจักรยานเอทิสตีนถีบเนี่ยนะขอไป <Okay. S 1> คุณจะต้องทํามุมให้มันให้ขาเรามีกําลังนะคือขาที่เรามีกําลังเนี่ยต้องออกขึ้นก่อนขาที่เราอ่อนอ่อนเนี่ยไว้ทรงตัวข้างล่างถูกไหมถ้าเราไปทํามุมข้างหลังเนี่ยขาเราจะไม่มีกําลังในการถีบไปนะมือเราต้องจับพวงมาลัยให้ตรงอย่าให้เอี้ยวอย่าให้เบี้ยว ไม่งั้นมันจะไปไปไม่มีกําลังใช่ไหมตัวเราต้องนองไปข้างหน้านิด น, นึงเพื่อเตรียมส่งกําลังไม่งั้นมันจะส่งตัวอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ย น, นะเจ้าค่ะที่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เปรียบเหมือนกับว่าเวลาเราเข้าสู่สมาธิเนี่ยคุณรู้ไหมว่าจิตของคุณตรงนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะมีกําลังคิดเรื่องอะไรอยู่บางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองคิดเรื่องอะไรอย่างเช่นว่าเอาแค่ว่าคุณเดินผ่านธรณีประตูที่ทํางานเข้ามาหรือผ่านธรณีประตูบ้านเนี่ยคุณวบวความคิดเกิดขึ้น2อสาความคิดเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะ บางคนไม่รู้ตัวแต่เดัะนั้นถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ฉลาดในวารัฎจีของตัวเราเอง <c oughs> เข้าใจนะพอเราไม่ฉลาดในวัจิจของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะไม่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิาคือให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดว่า <c oughs> เอ๊ะไอ้ที่เราเข้าไปเนี่ยมันขั้นไหนมันมีองค์ประกอบอะไรนะับมันเข้ามาตอนไหนนะับเส้นทางที่มามันเป็นยังไงอย่างงี้นะ <c oughs> แล้วตรงนี้จะทําให้เราฉลาดในการเข้า แล้วนะคุณทําได้บ่อยไหมคุณทำได้อยู่เรื่อยๆไหมคุณดีดนิ้วโปะเข้าได้เลยไหมนะข้างความรวดเร็วในการเข้านะความแม่นยําจังหวะในการเข้าอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่า ى, บางคนเนี่ยฟังเพลงนีนะ้เวลาจะเข้าสมาธิเนี่ยอาศัยฟังเพลงเอานะเปิดเพลงดนตรีคลาสสิกนุ่มๆเปิดแอร์เย็นๆปุ๊บเอจิอมันเป็นสมาธิโ ด, ดยอัตโนมัติอืมจุกค่ะเป็นนะบางคนก็เป็นถูกไหมจุกค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณฉลาดในการเข้าสู่สมาธิเนี่ยเอะเรารู้จากองค์ประกอบตรงนี้ของตัวเราเองไหม อย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะจนกระทั่งบางคนจนกระทั่งอาจมาพูดถึงโอ้ใช่นะฉันก็เป็นอย่างนี้อ้าวถ้าคุณยังไม่รู้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราต้องฝึกให้ฉลาดยิ่งขึ้นอืมเจ้าค่ ะ, ะคุณทวยชัยกัจายนนะั่นี่คือเรื่องของการเข้าสู่สมาธิทีนี้องค์ประกอบที่สองที่พี่เจ้าได้อธิบายถึงไว้ก็คือการดํารงอยู่ในสมาธิการดํารงอยู่ในสมาธิเนี่ยสําคัญตรงที่ว่าเวลาเราทรงจิตของเราไปที่ระดับหนึ่งเนี่ย บางทีมันไปคิดนั่นคิดนี่คิดโน้นหลุดออกไปกลับเข้ามาอีกหลุดออกไปขั้นน้นขั้นนี้ไหลกลับมาขั้ น, นเดิมอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตัวนะ เ, เพราะนั้นเราจึงต้องมีสติให้อยู่แน่วแน่อยู่ในดำรงอยู่ในสมาธิทั้งเวลาทั้งระดับความลึกซึ้งของสมาธิทั้งกําลังที่เกิดในสมาธิถ้าเรายกตัวอย่างนะคุณทนใจยอย่างเช่นเราเอาแว่นขยายมาอย่างเงี้ยนะ เอาแว่นขยายมาเพื่อที่จะปรับเลนสน์นูนใช่ไหมแว่นขยายเนี่ยให้เอาจุดรวมแสงมาให้มันอยู่คงที่อย่างเงี้ยคือถ้าบางคนมือไม่นิ่งเนี่ยไอจุดโฟกัสจุดรวมแสงของแว่นขยายเนี่ยมันก็จะใหญ่ๆเล็กๆอยู่เป็นประจำมันก็จะไม่มีกําลังเท่าไหร่ <Okay. S 1> แล้วมันก็จะมีกําลังในระดับของเข่าที่มีเพราะฉะนั้นการให้ดํารงฉลาดในการดํารงอยู่เนี่ยคุณต้องฉลาดในการที่ว่าจะทรงเอาไว้ให้เหมือนเดิมอันนี้อันหนึ่ง นะหรือว่าคุณทําเป็นลักษณะของอบางคนเนี่ยเข้าออกเป็นจังหวะจังหวะทำให้การอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งนะคืออย่างสมมุติว่าคนออกกําลังกายนนะคุณจตเจยเขาวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดนักวิ่งเคเห็นไหมที่เขาซ้อมกีฬาพวกนักวิ่งมีช่วงพักว่างนั่นเถอะคือหมายความว่าไอ้พวกนักวิ่งความเร็วนะนักวิ่งระยะสั้นเนี่ยเขาวิ่งวิ่งแล้วหยุดปุ๊บวิ่งวิ่งแล้วหยุดปุ๊บอย่างเงี้ย เป็น <iten S 1> <lements S 2> จังหว ะ, ะวิ่ง30สวินาทีหยุด2วินาทีวิ่ง30สวินาทีหยุดสวินาทีเป็นห่วงห่วงห่ว ง, วงเวลาอย่างนี้นะอันนี้คือเขาเป็นลักษณะของรูปแบบของการดำรงอยู่ในการฝึกแบบของเขาเช่นเดียวกันคือเวลาสมาธิเนี่ยคุณเข้าสมาธิ ค, ออคุณออกคุณเข้าคุณออกเนี่ยเป็นลักษณะการดำรงอยู่แบบหนึ่งเหมือนกันนะอืมเจ้าค่ะแล้วก็เรื่องของกําลังระดับสมมุติเราเข้าชั้นสองเนี่ยค <becom> ุณดำรงอยูมม่ในชั้นสองอยู่ตลอดได้ไหมบางคนเนี่ย ดำรงอยู่ชั้นสตลอดไม่ได้กลับไปชั้น1เดี๋ยวไปชั้น3เดี๋ยวกลับมาอยู่ชั้น2ต่อมันขึ้ น, ข, นขึ้นเข้า เ, าเ อ, าออกไม่ดำรงอยู่ตลอดอย่างนี้นเป็นตน้นนะเจ้าค่ะบางทีกลับไปคิดเรื่องการไหลามาเรื่องสมาธิอ่าบางทีหลุดไปเป็นอรูปประชานไม่รู้ตัวอย่างนี้นเป็นต้นก็นมีเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฉลาดในการดำรงอยู่นะอันนี้คือข้อที่2ออ่าข้อที่3ามที่พี่เจ้าอธิบายถึงก็คือการออกจากสมาธิในการออกจากสมาธิ เ, เคยได้ยินที่มีสุภาษิตนะคุณเดินใจเขาบอกว่าเรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่ใช่ไหมหรือลักษณะของไอเวลาที่เครื่องบินเนี่ยใครเคยขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยนะตอนช่วงเครื่องขึ้นกับเครื่องลงเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอันตรายมากที่สุดเจ้าค่ะต้องเป็นนักบินออโต้พาวเอรไม่ได้เลยนะหรือได้ก็เฉพาะบางเครื่องบางสนามบินเท่านั้นนะโดยปกตินักบินจะบังคับเครื่องเองตอนที่ขึ้นและลง ยกเว้นตอนที่อยู่บนอากาศเนี่ยก็ใช้ออโต้พาวเอรตไปนะระบบนักบินอัตโนมัติไปมันก<จ>็ลอยอยู่ในอากาศทรงตัวไปเรื่อยๆใช่ไหม<จ>ตอน<จ>ออกเนี่ย<จ>เป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันทั้งเข้าและออกนะสําคัญตรงที่ว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยตีละฆังปุ๊บออกเลยลืมตาพรวดแล้วก็ลุกพรวดไปเลยรีบเข้าห้องน้ำอย่างนี้เป็นต้นเ จ, จไม่ได้รักษาสภาวะจิตของตัวเองเอาไว้นะมันก็จะไม่ดีนะเราต้องมีสติสมัมปชัญญะคอยทรงจิตเอาไว้รู้มีสติเข้ามีสติออก <c oughs> คือไม่ได้หมายความว่าให้ทําช้านะช้าก็ได้หรือเร็วก็ได้มันอยู่ที่ความคล่องตัวของเราแต่อย่างน้อยให้เรามีสติคือสติจะเป็นตัววัดว่าสติที่ความรู้ว่าเราเข้าหรือเราออกหรือเราดำรงอยู่เนี่ยจะเป็นตัวที่วัดความดีความฉลาดตรงนี้ระดับหนึ่งคือบางคนเนี่ยทําคล่องแล้วดีดนิ้วพวสะออกได้เลยดีดนิ้วพวสะเข้าได้เลยช่วงเวลาจากไม่มีอะไรเป็นเข้ามาเนี่ยสั้นมากในช่วงเวลาจากมีอะไรเป็นออกไปเนี่ยสั้นมากอย่างนี้ก็มี เนี่พระฉะนั้นไอ้ช่วงห่วงเวลาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าคุณฉลาดหรือไม่ฉลาดแนะคนฉลาดยิ่งทำได้เร็วนะแต่คนที่ไม่ฉลาดแล้วไปทำเร็วๆเนี่ยคุณก็จะพลาดจะเจ็บตัวอย่างบางคนที่ไม่สามารถบังคับเครื่องจักรได้อย่างเงี้ยคนที่ขับรถไม่แข็งไปขับรถเร็วก็มีอันตรายมากเนาะอันตรายตรงนี้มันก็มีได้คือจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยมันทําไปเรื่อยๆมันดีอยู่แล้ว แต่ที่อันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ฉลาดในการเข้าก็ตามไม่ฉลาดในการออกก็ตามเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับแม่วัวนะแม่โคโค่ภูเขาขึ้นใจเห็นเคยเห็นไหมค่ะประเทศไทยไม่มีมีแต่อยู่ในต่างประเทศนะเจ้าค่ะเด็กในเจ้าค่ะก็ขนเยอะๆแล้วก็เขาใหญ่ๆแล้วก็ตัวไม่ใหญ่มากเป็นลักษณะตัวคล่องค่องคร่าวๆหน่อยนะคือไม่ใช่วัวไถนานะแต่เป็นวัวภูเขาเพราะนั้นกล้ามเนื้อมันก็จะใหญ่แล้วก็มีความคล่องตัวสูง มันก็อยากจะไปกินหญ้ากินน้ำในตในผาอื่นเขาอื่นที่มันไม่เคยไปมันก็เลยเอาเท้าหลังของมันเนี่ยงตัวไว้ที่หินก้อนนี้เพื่อจะกระโดดไปหินก้อนต่อไปนะแต่ว่าปรากฏว่าทรงตัวไปไม่ดีนนะก็ก้าวไปหินก้อนต่อไปเนื่องจากสรงตัวไว้ไม่ดีก้าวไปหินก้อนต่อไปมันก็ส่งตัวไม่ดีนะสรงตัวไม่ดีก็จะล้มจะล้มจะยกขากลับมาก็ไม่ได้ ก็พังทั้งข้างหน้าพังทั้งข้หลังน้ําที่ต้องการกินก็ไม่ได้กินญาที่ต้องการดื่มอ้าวน้ําที่ต้องการดื่มก็ไม่ได้ดื่มยาที่ต้องการกินก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยนต่ทั้งเสียทั้งขึ้นทา้งร่องอะบ้างนั้นเถอะนเราถ้าเราไม่คล่องเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเปรียบแบบการที่คนที่ได้ชันสองแล้วจะไปชันสามทำชันสองก็ยังไม่คล่องจะออกไปชันสามอย่างเงี้ยอชันสามก็จะไม่ได้ชันสองก็จะเสียอืมคะเราเราจึงต้องฉลาดในการออกตรงนี้ นะคือถ้าเราทําให้มันมั่นคงมั่นใจทําได้คล่องแคล่วรวดเร็วทั้งกําลังความเร็วและความคล่องตัวเราก็จะเป็นผู้ฉลาดในการเข้าการดํารงอยู่การออกอันนี้นะสามอันแรกที่พระเจ้าได้สอนไว้เจ้าค่ะตรงนี้มันต้องอาศัยการฝึกนะคุณตือนใจถ้าเราจะอาศัยอ่านหนังสือแล้วก็ท่องจําเอาเนี่ยมันก็ได้แค่ ค, ควา ม, มรู้<น>ของก<น>ูหนึ่งคือมันจะได้ความรู้ของกูหนึ่ง น, นะอย่างสมมติเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยหรืออาตมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยอันนั้นคือความรู้ของอาตมา ถ้ามารู้เองนะอันนี้คือความรู้ของเราแต่ถ้าเราไม่รู้เองเราก็ไปเอาความรู้ของพระเจ้ามาบอกให้ท่านฟังก็ไม่ใช่ความรู้ของเราอยู่ดีเข้าใจไหมความรู้ความรู้ตรงเนี้ยพระเจ้าใช้คําว่าวินยะูวินยูชนนะวินยูชนไม่ใช่ปัญญาชนนะสมมติเราเรียนหนังสือศึกษาหาความรู้มากคุณจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเขายกคุณว่าเป็นปัญญาชนใช่ไหมแต่ที่คุณเรียนมาเนี่ยคือเรียนความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ความรู้ของตัวเองนะ คคุณไปเรียนรายคุณเรนวิศวะเหรอแต่คุณก็ไปเรียนความรู้ของคนอื่นที่เขาคิดไปแล้วถูกไหมไม่ใช่ความรู้คุณเองนะจนกระทั่งต่อเมื่อคุณเอามาปฏิบัติมาใช้เป็นความรู้ของตัวเองนั่นนหะถึงเป็นวินยุชนอย่างพุทธเจ้าสอนว่าอย่ากโกรธนะโอ้ยรู้ใครๆเขาก็รู้เด็กน้อยๆเขาก็รู้แล้วคนที่คนด่ากันมากกันทําไมเขาจะมีรู้พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้โกรธแต่เขาทําไม่ได้ไม่มีความวินยุชนไง ฉันถามว่าไอ้ที่อาจมาเล่าให้ฟังว่ า, าต้องเข้าออกนะดำรงอยู่อันนี้ความรู้ของพระพุทธเจ้านะมาเล่าให้ฟังนะท่านผู้ <จบ S 1> ฟังะจะรู้ไหมรู้ได้เมื่อปฏิบัติได้รู้ได้เฉพาะตนอืมเจ้าค่ะอ่าอันนี้เป็นความรู้ของอาจมานะหมายถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้เราต้องปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเราทําไงปฏิบัติได้ด้วยตัวเองอ่านหนังสือปฏิบัติได้ไหมได้ฟังรายการวิทยุทําไมจะไม่ได้ก็ปฏิบัติได้เหมือนกัน นะโดยการแค่เรามีสติเดิมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยใช่ไหมเราทำบ่อยๆทาซ้ําๆทํายำๆเนี่ยมันจะทําให้การบริบบตงเราเนี่ยก้าวหน้าไปได้ออพระเจ้าเปรียบเทียบกับ เ, ออเวลาที่นายช่างช่างไรช่างไม้เขาไปสไม้สกบหรืออะไรเนี่ยนะเขาจะมีร อ, อยนิ้วของเขาเนี่ยปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของช่างไมนะ้เพราะว่า <Okay. S 1> เขาทําบ่อยทํามากทําซ้ําทํายํา หรือรองเท้าของเราเนี่ยเดินไปเดินไปมันก็สึกไปสึกไปสึกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เช่นเดียวกันเวลาเราปฏิบัติไปฝึกไปฝึกไปฝึกไปเนี่ยที่เราค่อยก้าวๆหน้าไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปไเรื่อยๆดังนั้นคืออาศัยทําบ่อยๆนั่นเองนะเราก็จะฉลาดในการเข้าฉลาดในการออกฉลาดในการดํารงอยู่เราจะรู้แง่มุมที่มากยิ่งขึ้น นะคือบางคนคิดว่าจะต้องไปหาฟังธรรมะใหม่ๆแปลกๆฟังธรรมะมีประเด็นเพิ่มเติมฟังธรรมะของอาจารย์องค์นั้นองค์นี้โอ้ยธรรมะนี่นะคุณตือนใจเป็นลักษณะที่เรียกว่าควรทําให้มากคุณทําให้เจริญนะคือรู้บทเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องใหม่ๆนะถ้าเรารู้บทเดียวแล้ว ร, รู้ซ้ําๆย้ำํๆำๆทําให้มากทํำบ่อยๆเนี่ยความรู้ของเรามันแตกฉานกระจายไปได้ อ, อย่างชาวนาเนี่ยนะ เวลาเขาทำนาเนี่ยคุณตุลยชัยตอนนี้ก็เป็นช่วงที่หญ้าข้าวเขียวไปหมดแล้วนะถูดอนซานีเนี่ยนะเขาเวลาเขาทานาเนี่ยเขาก็ทําแปลงเดิมทุกปีได้ข้าวมากินทุกปีนะเลี้ยงกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วทําก็ทําแบบเดิมทําที่เดิมได้ข้าวทุกปีเพิ่มขึ้นทุกปีนะเวลาที่นักวิ่งเขาวิ่งเอาเท้าซ้ายนําเท้าขวาเขาก็ใช้ท่าเดิมเอาเท้าขวานําเท้าซ้ายาก็ใช้ท่าเดิมนะทําไปทําไปเอ้าวิ่งได้ถึงเส้นชายเป็นนักวิ่งมาราธอนได้ นะเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติที่จิตเรานะค่อยสังเกตลองไปใช้เข้าออกดำรงอยู่เข้าออกดำรงอ ย, อองอยู่หัดดูหัดเห็นหัดรู้หัดฟังทําบ่อยๆปฏิบัติที่กายปฏิบัติที่ใจเดี๋ยวมันดีขึ้นได้นะอย่างนักกีฬาเนี่ยนะเขาซ้อมเนี่ยอย่างไทเกอร์วูดอย่างเงี้ยเขาเคยพูดไว้ในประวัติของเขาใช่ไหมเขาไม่ได้ตีวันละสองสามรอยลูกนะคุณใจเขาตีวันละพันลูกเนะี่ยอืมะมันละพันหลายพันลูกอะ่ะซ้อมที่จะ d r ฟ v e golf เนี่ยน ะ, ะเป็นพันพันลูก นีเพื่ออะไรทําซ้ําไงเพราะฉะนั้นเราจะฉลาดเรื่องจริงของเราเราต้องทําอย่างนี้อย่างที่ผู้เช่าสอนเนี่ยคือทําให้บ่อยค่ะทําให้มากทําให้เจริญคือทําซ้ําๆยํำๆที่ใจที่ก่ของเราค่ะาค่ะข้อที่สี่ห้าหกเนี่ยเราพูดกันให้จบวันนี้ไปเลยข้อที่สี่ก็คือเป็นผู้ที่ฉลาดในธรรมะอันเป็นเอื้อเฟื้อแก่สมาธิอะไรเป็นธรรมะที่เอื้อเฟื้อแก่สมาธิคุณตนใจยมคิดว่าก็ต้องอ เป็นธรรมะที่ทําให้เรามีสมาธิแล้วก็อยู่ในศีลนิธรรมที่ดีอะเจ้าค่ะปฏิบัติตามที่พระองค์ได้สั่งสอนมาเจ้าค่ะใช่ยังเชอรี่เนี่ยถ้าเอามาปลูกภาคใต้เนี่ยมันไม่โตค่ะมันต้องโตในที่อากาศเย็นๆใช่ไหมเจ้าค่ะเช่นเดียวกันสิ่งแวดล้อมดินปุ๋ยอะไรพวกเนี้ยมันมีผลต่อต้นไม้การออกดอกออกผลของมันนะเช่นเดียวกันสิ่งแวดล้อมที่จะไม่มีผลต่อจิตที่ทําให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิได้มีอยู่นะเช่นอะไร กินอาหารคุณมีท้องอันพ่องไหมบางคนกินอาหารเนี่ยโอ้โหอิ่มแป้เลยกินแล้วก็ไ ป, ไปเผื่อถึงตอนเย็นแต่อาดรวมในมื้อเดียวตอนเช้าเงนี้ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้มันก็ไม่ได้เรื่องล่ะพระเจ้าบอกว่าให้เ ด, ดยเฉพาะพวกไปไปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะพอ <c oughs> บอกได้ได้ทานมื้อเดียวทานงหนักเลยเจ้าค่ะเผื่อไว้สําหรับเย็นนี้ด้วยเจ้าค่ะจริงๆพระเจ้าให้รับประทานเสร็จแล้วเนี่ยมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้อง เป็นผู้ที่ยินดีในเท้าอันร่องอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำเป็นธรรมะที่เอื้อเฟื้อแก่สมาธิสองเป็นผู้ที่อยู่ป่ามีเสนสห์สงัดถ้าเราอยู่เสน่ห์สงัดอันนี้เอื้อเฟือสามเป็นผู้ที่ทรงสุดตาสังสนสุดตาคือฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆไหมสี่เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายสันโดษในบริการชีวิตหรือเปล่าอันนี้เป็นลักษณะบางประการเท่านั้นเองที่มาเล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นเอื้อเฟื้อต่อสมาธิ เนะอื้อเฟอือต่อสมาธินะ่ะเป็นเหตุปัจจัยที่สิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราดีขึ้นนะหรือว่าคุณมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนไหมอย่างเงี้ยนะนค่ะอันนี้ข้อที่สี่ส่วนข้อที่5ก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือเช้ากลางวันเย็นทําหมดทุกตอนนะคือบางคนเนี่ยมาปฏิบัติทําแล้วเนี่ยโอ้ยดีมากเลยสบายใจกลับไปถึงบ้านปุ๊บเท่านั้นแหละดูหนังฟังเพลงเล่นนั่นนี่ไม่รู้จักรักษาจิตที่ตัวเองมี นะ<ช>คือคือเรามีจิต ท, ที่สบายแล้วใช่ไหมเราต้องรู้จักรักษาเหมือนเราเอาภาชนะที่มันมันเป็นสำริดอย่างเงี้นะเป็นทองเหลืองเงี้ยมาขัดอย่างดีแล้วเนี่ยเก็ทําไปปล่อยให้ตากลมตากแดดตากฝนมันก็มล อ, อีกอะ่ะใช่ไหมเรามีของดีๆขัดไว้อย่างดีแล้วเนี่ยเราต้องเก็บไว้เยอะดีดห่อผ้าจากเมืองกาสีเก็บไว้ในร่มนะเดี๋ยวสามสีวันเราลองมาเช็ดทีหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเรามีแหวนเพชร น, นะคุณเดินใจใเราไม่ไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือใน ในนอกบ้านนะใช่ไหมเราเก็บไว้ใ น, นตู้เซฟอย่างดีนะทุกวันอาทิตย์เอาเปิดมาชื่นชมดูโอ้โหแวววาวเช็ดมันแล้วเช็ดมันอีกนะด้วยความที่เป็นแหวนเพชรเนี่ยเราต้องดูแลจิตของเราอย่างนั้นนะคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติโ ย, ยเยอือ้อเฟื้อนะหมายความว่าอไรหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติตอนเช้าหรือตอนเย็ยนคือบางคนเนี่ยปฏิบัติเป็นรูปแบบนะเช้าเย็ยนคุณทําดีมากเลยนะแล้วกลางวันเนี่ยดันไปเผลอไม่ได้นะกลางวันเราก็ทําด้วย เพราะนั้นเวลาที่เรารอรถเมย์ขึ้นรถลงเรือมีคนขับรถนั่งไปเนี่ยคุณรู้หรืใไม่ใจไหมนะระหว่างวันเนี่ยจะเป็นตัวที่สนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในช่วงตรงเชา้าหรือเย็นใช่ไหมเชา้าหรือเย็นคุณทำไหมห้านาทีสี่นาทีก็ขอให้ทำนะก็จะเ ป, เป็นตัวที่ช่วยเกื้อหนุนการปฏิบัติในระหว่างวันนะรอลิฟต์ก็ตามรอประชุมก็ตามนะคุยโทรศัพท์ฟังก็พูดอยู่เนี่ยเราก็ร่วมใจไปด้วยตรงนี้จะช่วยเกื้อหนุนกันอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของธรรมะที่ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติโดยติดต่อพนะพุทเจ้าพูดถึงชาวร้านตลาดที่เขาทำการค้าเนี่ยช้ากลางวันเย็นเขต้องทําอย่างดีที่สุดนะข้อสุดท้ายคือข้อที่หกที่พูดถึงธรรมะอันเป็นที่สบายแก่สมาธินะก็คือทําความสมดุลของจิตเนี่ยให้เกิดขึ้นนะทําความสมดุลของจิตให้เกิดขึ้นพระเจ้าเปรียบเทียบความสมดุลอยู่ของสามสิ่งนะคือหนึ่งของสมาธินะนิมิตเพื่อสมาธิ สนิมิตเพื่อความเพียร3นิมิตเพื่ออุเบกขานะถ้าเราหาจุดสมบุรณระหว่างอุเบกขาความเพียรและสมาธิหมายถึงสมถะเนี่ยน ะ, ะก็จะสามารถทรงจิตให้เพื่อที่จะละอัศวะได้คือหมายความว่าถ้าเราทําแต่สมถะอย่างเดียวนะจิตก็จะเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านนะถ้าทําพิจารณาอย่างเดียวอจิตก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าอุเบกขาอย่างเดียวคุณก็จะไม่ละอัศวะไดนะ้แต่ถ้าเราทํา3อย่างพร้อมๆกันอยู่หาจุดสมบูรณตรงนี้ได้ นั่นล่ะคือจุดที่สบายแกสมาธิเจ้าค่ะ สาธุจักคันนี้ก็คื อ, อคําตอบที่พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตาบุรีนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สักษาหรือชี้แจงมาในรายการธรรมาราปรุลในเช้าวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอการเข้าสมาธิและการออกจากสมาธิหรือการที่เป็นผู้ที่ฉลาดที่จะทรงสมาธิได้บังคับจิตใจอาจิตใจมีกําลังอย่างที่พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนได้สักษามาแล้วนะคะน่าเสียดายที่เวลาในรายการธรรมา ร, ปราปุล เชาวันนี้หมดลงแล้วค่ะเรายังมีคําถามดีๆของท่านผู้ใช้หมายเลข49นี้ให้ทานผู้ฟังได้รับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เวลาตีห้าเหมือนเคยนะคะเช้านี้เรามากราบอขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูพุญอภิปุโนโแห่งวัดป่า ด, ดอนไหโ่โศกตําบลดอนไหโ่โศกอำเภอ น, นองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกราบน้ำสการลาและกราบขอบพระคุณเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาวัียนบาน